ว่าฉันไม่ควรที่จะรักเธอ。 ที่ฉันต้องการเก็บรักฉันไว้ในใจเธอกอนฉันยังไม่พร้อมจะเริ่มตอนไหม่เก็บรักฉันไว้ที่เดิมยืนได้ เอามันกลับมาละหากวันไหนที่ใจเธออมล้าได้ปลอดจึงรู้ว่าเธออีกมีฉันอยู่ตรงนี้ที่เดำในใจ ว่าฉันมีคนที่จะรักคนเธอต่อไปเข้าใจ เดียวที่ฉันต้องการเก็บรักฉันไว้ในใจใเธอคนฉันยังไม่พร้อมจะรับ